เมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของทางจากขุทวารเป็นต้นเนาะทางจากขุทวานเนี่ยทางจากขุทวานที่บอกว่าสายตาและรูกเกิดจากคูณ ญ, ญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นประจายิ่เกิดเวทนาใช่ไหมฉะนั้นทั้งสุขเวทนาก็ได้ทุกเวทนาก็ได้และอทุก ข, ขมสุขเวทนาก็ได้เป็นต้นตเมื่อสักครู่ก็ไปเชื่อมในพ ย, ยาสูตรคือมามาเชื่อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจการศึกษาคําสอนเนี่ย ไม่ใช่เดินสูตรเดียวถ้าเดินสูตรเดียวนั้นนะ่ะความเข้าใจของเราไม่พอไม่พอแน่นอนเพราะท่านแสดงแต่ละที่แต่ละที่ไว้นะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าจะศึกษาพราะไตรปิฎกยังไงเนี่ยเหมือนในสติปัฏฐานสูตรท่านก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดไว้ทั้งหมดแต่คนที่จะมาเดินสติปัฏฐานหรือจะมาปฏิบัติตามแนวในยาาของสติปัฏฐานแปลว่าท่านเหล่านั้นผ่านวะธรรมคำสอนพระเจ้ามาค่อนข้างกว้าง แล้วต้องมาเชื่อมมาเลี้ยงร้อยกองเรียบเรียงร้อยกองต่อยอดให้ได้ถ้าอย่างนั้นนะ่ะการเดินในการปฏิบัติจะไปไม่ได้ก็จะหกขมนตีรังกากันอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ไปมันต่อเชื่อมไม่ติดเพราะท่านสอนคนต่างประเภทต่างลักษณะต่างสถานที่แต่อย่างเราท่านทั้งหลายเราต้องรู้ประมาณตัวเองชัดให้ถูกว่าอุคติตันยูหมดไปแล้ววิเคราปฏิตันยูหมดไปแล้วนี่นะถ้าเหลือแต่ในยากกระบาดปรมะ ซึ่งจะต้องเป็นการฟังค่อนข้างอย่างหลายรอบมากหลายเที่ยวมากถึงไม่ไม่ได้บรรลุไม่เป็นไรแต่เขาเรียกก็เป็นวาสนาภากยะที่จะเป็นปัจจัยสืบต่อไปในภายภาคข้างหน้าตรงนี้ก็ชัดนั้นต้องวางเป้าหมายไว้ให้ชัดวิทางเดินของเราเนี่ยว่าเราจะเดินยังไงในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเช้าก็สนทนากันก็พูดเรื่องว่าเอออคคณะทั้งแปด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 และก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นพวกมิจฉาทิถีเป็นต้นไม่ได้เกิดอยู่ในรูปประพมไม่ได้เกิดอยู่ในสัญญาสัตวเป็นต้นใช่ไหมทีนี้เรามาเกิดอยู่เป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็อยู่ในแวดวงของพระพุทธศาสนากําลังแผ่มาถึงด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อดมายกมาบ่อยเพราะต้องการเตือนสตินั่นแหละที่บอกว่าทำวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วแสดงแล้วเนี่ย ทำวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่งเราก็แปลว่าตอนเนี้ยพระาศาสดาปารินิพานไปก็จริงแต่พระธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมฐันยังทํากิจพระาศาสดาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกสัตว์ตาบอดสัตวที่เป็นใบใช่ไหมเออสาตว์ที่หูหนวกเท่านั้นไม่ได้ยินคําวตาบอดหูหนวกและเป็นใบในพระธรรมวินัยก็คือคนเป็นวิชฉาทิฏฐิ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 ปพันเหตปิณปาตันจ่าสายันเหตธรรมเทศนางเป็นต้นเนี่ยถ้าเราตาดีแล้วก็เห็นเข้าใจใช่ไหมเราจะเห็นว่าพระบรมศาสดาทำกิจของท่านอยู่ในการประกาศพระธรรมของพระองค์นั้นยังดังอยู่อยู่ในพระตรัยปิดกอัตถาหรือดีกาเป็นต้นท่านที่ร้อยเรียงเรียบเรียงร้อยกองให้เป็นเหมาะแก่อัธยาศัยของเรายังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ขอให้เราศึกษาพระสัธรีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ชัด แล้วการเดินจะได้มั่นใจมันจะได้ไม่หลังเลเข้าใจไหมไม่ใยกชัดเจนทีนี้ฉะนั้นเมื่อเราศึกษาคําสอนในลักษณะอย่างนี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเชื่อมโยงอ่ะถ้าไม่เชื่อมโยงยากมากที่จะเข้าใจยกตัว อ, อย่างเช่นว่าเวทนาอย่างเดียวเนี่ยถ้ากล่าวถึงบอกว่าสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่วาสว ย, ว ส, วยขขสุขเวทนาสวยทุกเวทนาก็รู้ชัดว่าสวยทุกขเวทนาสวยอทุกขมาสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่าเราสวยอ่ทุกคำสุขเวทนาอยู่ใช่ทีนี้ท่านก็อุปมาบอกว่าเด็กทารกที่นอนแบเบาเนี้ดูดนมแม่รู้ชัดแต่การรู้ชัดอย่างนั้นน่ไม่สามารถล่าอะไรสัตรูปรธัธิคือไม่สามารถจะละสัตรูปรธัธิถอนสัตตัดสัญญาได้ถอนสัตบุคคลออกในกมลสันดานไม่ดั ไม่สามารถถอนได้เลยเพราะเรารู้สุกรู้ทุกข์กันทั้งนั้นเหมือนบอกฉันโตแล้วนะบาปบุญฉันรู้อ่ะแต่รู้แค่นั้นมันไม่ใช่คําว่ากรรมสกตาสมาธิที่รู้บุญรู้บาปนั้นเน่ยมันต้องรู้ด้วยว่ากายกรรมวจีกรรมแบบไหนเป็นบุญกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบไหนเป็นบาปแลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่กําลังเคลื่อนไหวแต่ละครั้งคําพูดที่พูดไปแต่ละคําพูดความคิดที่คิดไปต่อ แต่ละทุกอนูความคิดมันเป็นกรรมหมดนะแต่มันจะผลักดันไปฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปเท่านั้นและสิ่งเหล่านั้นมีผลรองรับเบ็ดเสร็จในผลเหล่านั้นเป็นทั้งผลที่ให้ในปัจจุบันนภพ์พใช่ไหมเป็นทิฏฐ ธ, ธ ร, รมเวทนียกรรมด้วยแล้วก็เป็นทั้งอุปัชฌะเวทนากรรมที่จะให้ผลในภพถัดไปด้วยแล้วก็เป็นอ布拉布拉เวทนียกรรมที่จะให้ผลในภพที่3าเป็นต้นไปจนกว่าจะปริญญาผานด้วยใช่ไม่ใช่อันนั้นคือผลของการเคลื่อนไหวไกายกรรมปจีกรรมเร็วโนโก ร, รมัม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 ไม่มีสถาขาโพธิสัตย์ใช่ไหมวิธีคิดเนี่ยต้องคิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแบบนี้ฉะนั้นเมื่อคิดสาวตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เวลามันขึ้นไปข้างบนแล้วมันผิดพลาดเราจะมาใช้สมนวนว่ากรณีที่เรารีบเร่งกันทั้งหลายนี่นะเราเดินรีบจะเข้าประตูเนี่ยมันลืมกุญแจพอลืมกุญแจก็จะเข้าให้ได้อ่ะมันไม่ได้คุณต้องเดินลงมาใหม่เข้าใยยังมันเข้าไม่ได้หรอก อมตะมหานิพานเนี่ยเราต้องใช้ปใช้กุญแจระดับอริยมรต์มันถึงจะไขแล้วจะเข้าประตูเข้าสู่ธรณีประตูไปได้ทีนี้มันลืมกุญแจมันต้องเดินลงมาใหม่มันจะสามสิบชั้นสี่สิบชั้นคนก็ต้องเดินลงมาก็แปลว่าอะไรมันเดินขึ้นไม่ถึงหบอกโดยข้อเท้จริงเน่ยเดินขึ้นไปแต่ไม่ยอมละของที่มันไม่ใช่เข้าใจยังมันต้องเดินลงมาถ้าคุศสวศีลมันไม่ดีมันขึ้นไปเพราะอะไรเนี่ย อะไรมันเป็นเหตุทําให้เราขึ้นไปได้ที่เราไปเข้าใจว่ามันขึ้นได้เนี่ยเข้าใจอย่างบางทีมันไปแบบทุ่ศีลอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันเป็นยังไงวิปัสสนาอะไรมันขึ้นไปแบบคนทุ่งศีลมันไม่มีมันจะต้องเดินกลับลงมาใหม่แสดงว่าต้องผิดพลาดในชั้นทุ่งศีลแน่นอนแล้วมันเหลือแต่ทิศถีที่ความเข้าใจผิดแน่นอนก็กลับมาชําระมันยาวนานมาแล้วใน ชั้นของอาจาัจถริยในชั้นของดีกาเนี่นะท่านสรุปออกมาไงรู้ไหมพระพุทธเจ้าที่มาตัดสรุปทั้งหลายที่ท่านคํานวณ น, นะท่านไม่นับคนบุคคลนะบุคคลนับไม่หวาดไม่ไหวแต่นับนับกลับเนี่ยประมาณแปดสิบสี่แปดสิบสี่อสงไขในแปดสิบสี่อสงไขเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสมาในอดีตที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้าครบหมดเ นอกนั้นไม่มีเราผ่านมาไม่รู้กี่โกรธสองไข้นะแต่ว่าแปดสิบเสียสองข่ในมีพระเจ้าตลอดแต่จะไปแทรกอยู่ช่วงไหนก็ว่าไปแต่เชื่อไหมเราหลุดขายพยานของพระองค์มาได้ยังไงต้องไปนั่งคิดทิถ้าเราสัตว์มีบุญจริงอะ่ะหลุดไม่ได้ยังไงอะ่ะเอาไปนั่งคิด จะได้รู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราเนี่ยใช่ไหมเราหลุดได้อ่ะเพราะไม่มีกระแสขันไหนเลยที่จะไม่ผ่านพยานของพระพเจ้าพระเจ้าตรวจสอบเบ็ดเสร็จทําวิจัยเบ็ดเสร็จอริยสัจปรากฏเพราะพร อ, องเป็นสมาสมุทโอะแยกแยะตรัสรู้ทั้งแต่จักขุจักขุสมุทยาเป็นหมดเลยจักขุเนืผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไตเป็นต้น อาการส อ, สองไม่มีของใครที่ผู้เจ้าไม่เอามาประชุมรองเิยาสัตวตาหูจมูกคลิ้งใจใจรูปเสียงกินรสสัมผัสและธรรมารมณ์ท่ า, 18, ส, า 4, ส, 20, 2, สิบแปดสัจจะสี่อินทรีย์ยี่สองปฏิจจุบัติไม่เคยเลยที่พระเจ้าจะไม่เห็นปฏิจจุผู้พระเจ้านี่นะเราลดถึงกระแสขันของเราเนี่ยเห็นปฏิจจุบัทเป็นสายเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงในครบตรวสอบหมดแล้วแต่หลุดขายพยานมาแรงไม่รู้กี่ล้าน พระพุธจ้กีโก่โกรธเพราะอะไรหน อ, อนียอาจาร์มาใช้สับอยู่บ่อยแต่ไม่กล้าพูดคำว่าขาโนวตัตตะไอตอของวัตตะใช่ไหมเราจะเป็นตอของวัตตะหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นตอของวัตตะเนี่ยแปลว่ามันถอนไม่ได้ ถ้า ต, ต่อของวัตตาจริงๆคือกลุ่มอเหตุกาทิฏฐินัิกาทิฏฐิอัคริยาทิฏฐิเลยแล้วทิฏฐิของเราเนี่ยมันถูกฟักตัวมาตลอดเวลาเลยเนะี่ยยาวนานมากต้องใช้ระดับคีมระดับพกคีมของพระเจ้าถอนใช่ไหมแต่ไม่ยอมฟังทำส่เอาไงแต่นี้นั้นจะถอนออกจากสังสารวัฏได้ต้องใช้อริยมักคิมคืวอริยมักใช่ไม ของเราก็ทิศถีเบาซะมาเลยแล้วที่ความเห็นที่ฝังแน่นในกระบวนสันดานเราท่านทั้งหลายต้องใช้ระดับทีมเพื่อเรียกมาร์คถึงจะถอดออกมาได้ถึงจะได้ถอดออกมาได้ถึงจะหลุดออกจากสังสารวัฏเนี่ยความหมุนเวียนของขันทาติยะตนะมันถึงจะหลุดออกจากทับได้ตรงเนี้ยมาถึงหน้าตอนนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ว่าเรามาพบแล้วคําว่าสัมมาสัมพุธโธเนี่ยเราพบแล้วแต่ถ้าพบแล้วเนี่ยนะ ถ้าเราตั้งสัตทินีไม่ชัดอีกแล้วเราจะผ่านไดีกี่องค์เนี่ยเข้าใจหัหยหวังว่าในโอกาสต่อไปจกไม่ได้เจอขันห้าเหล่านี้มาประชุมกันแบบนี้อีกเข้าใจยังหวังว่าหนึ่งในนั้นกือาจะมาด้วยใช่ไหมเพราะมันเป็นการประชุมของความเจ็บปวด ทาทีทุกชราทุกพยาธิทุกมาแล้ะทุกมันเป็นการประชุมเรื่องความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแก่ใช่ไหมเนีขันนั้นเป็นที่ตั้ ง, งความยึดมั่นคือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณที่เจ็บปวดมามในสังสารวัฏอาทีนวะทุกโทษมันเยอะมันผ่าดงของวิชาที่ถีกันมาอย่างยาวนานแล้วเราไม่ได้ผ่าธรรมดาเราเสพติดกับเข้ามา เราก็กลายเป็นผู้เดินช้าใช่ไหมธรรมะที่ขยายว่าตาคือตัณหามนาที่ขีเนี่ยมันสุดฉุดล้งสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลามันดึงให้เราออกไม่ได้มันดึงให้เราออกไม่ได้ ม, ดออไ ม, ไดมันแน่นมากมันถอนอะไรไม่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ตอนอรพรหมมาลาธนาในะพระองค์ว่าไงพระองค์ขวนขวายน้อยจักไม่แสดงธรรม พอรอทำมาที่พระองค์แสดงเนี่ยพระองค์เห็นกติจจสุบาใช่ไหมพระองค์ประชุมโพธิปัจจญยธรรมอยู่ไหมเมื่อประชุมโพธิปักจญาธรรมโพธิปัจจญาธรรมไปวิจัยอวิชาสังขารวิญญาณามรูปสลายญตนาัสษาเวทนาตัญหาบาทานภาวะชาติฉลาดลยนะทั้งๆ ท, ที่อวิชาตัญหาเนี่ยนะขออภัยอวิชาสังขารเนี่ยเป็นอตีตอธ า, าเป็นธรรมะที่เกิดในพบก่อนวิญญาณนำรูปสลายญาตนาภาษาเวทนาตัญหาบาทานภาวะชาติชาติเนี่ยนะ ตันหาอภิาธานภวะเนี่ยนะภาวะแค่ตรงนี้นะอันนี้เป็นปัจจุบั น, นาอาิาเป็นธรรมที่เกิดในพัฒนภพนี้แล้วก็ชาติชรามรนาเป็นอนาคตาภ า, าเป็นธรรมจักเกิดในภพหน้าทั้งท่านท่า น, นวางหลักปฏิจจสุบาทไว้สามภพอย่างนี้นะสามการอย่างนี้นะว่าอั น, นี้คืออารมณ์ของวิปัสสนานะแต่จัดโลกในปัจจุบันนี้มาศึกษาคําสอนของท่านแล้วเชื่อท่านไหมล่ะเชื่อพระเจ้าไหมเนี่ยไม่เชื่ออีกโอเคปัจจุบันกันอยู่เนี้ย มองเห็นได้อย่งทั้งๆที่พระพุทธเจ้าวางหลักว่าเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสามการนะใช่ไหมเป็นพุทธพจนิเป็นสามการนะเอาที่ชาสังขารเป็นธรรมที่เกิดในพบก่อนเป็นต้นใช่ไหมก็วางหลักว่านี่อันนี้เป็นอดีตนี้เป็นปัจจุบันนี้เป็นอนาคตบอกนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะขันยัตนาธาศาสตร์ใจอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นวมห้อยบัดนะแล้วเวลามาสอนกันก็เอาแต่ปัจจุบันอย่างนีต้องที่ดูสิ นี่แล้วแล้วแล้วขนาดนี้แล้วต้องดูทิศถีของสัตว์ในยุคนี้สิใช่ไหมฟังใครไหมเนะี่ะขนาดเขาพูดไอ้เจ้าอุา้ยฟังแล้วจะฟังใครอ่อเข้าใจหรืยังน่ากลัวไหมละ่ะทิศถีนี้น่ากลัวไอ้ปะมาณนี้พอฟังก็พูดเดี๋ยวมากลัวตัวตัวสิบอกโอ้ยตายแล้วน่ากลัวจริงๆรงอะ่ะก็คนขนาดไม่ฟังพุทธเจ้าแล้วเอาสิหน้ามืดตาโัวแล้ว เจ้าเนอะคำว่าธรรมสามีเนะี่ยรู้หมคือใครเจ้าของทมถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไปดูในจิตตานุปสนายังไม่ถันถึงใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเชื่อมโยงไปในอนาคตก่อนในมหาตันหาสังหยาสูตรเนี่ยในมัชฌิมานิกายไปดูดออในมัชฌิมันิกายอะ่ะท่านกล่าวบอกพระอริทกาพิโวที่เป็นลูกของคนฆ่าแรงมาบวชแล้วมีความเห็นผิดวิญญาณเที่ยง่ ว่าแล้วท่านรู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดูก่อนโมฆะบุรุษเธอทํำไมกล่าวแย้งเต tha คตอย่างนี้เพราะทำที่จตถาคตกล่าวไม่ได้กล่าวอย่างนี้แล้วถอดไหมเนี่ยไม่สอนแล้วว่าเธอมีความเห็นอย่างนี้จะประสบทุกข์จะเป็นบาปไม่ใช่บุญจะประสบทุกข์ตลอดกาลลนานเกิดเนอที่ต่อไปเนี่ยเธอเนี่ยออกจากชาติที่ทุกข์ชราทุกข์หมด น, นาทุกข์ไม่ได้คื้โดยตรงคำนี้ เธอจะต้องไปนู่นแหละไปทุกขพะความเกิดทุกขพความแก่ทุกขพความเจ็บความตายกันอยู่เน่แหละคือขัดแย้งชินจักรของพระพุทธเจ้าทุกคนก็เชื่อกันเหมอ่ะเขากลัวไหมข้อเ น, นี้เอากูจะสอนแบบนี้พุทธจักจะสอนไงก็ช่างรู้เรื่องพุทเจ้าสิเอาสิพระเจ้าพะเยาสุวรรณุ่น่ากลัวเป็นคนยุคนี้ยอาตมากลัวทิถีคนยุคนี้จริงๆต้องเป็นบอกไปที่อุ้งไ่ได้ท่านไม่เชื่อปฏิบัติเหมือนโยมแล้วเอาอะไรแต่เนี้ย มันเป็นเรื่องยาวไงเขามองว่าพระอย่างอาตมายังไม่ใช่บ้าปฏิบัติเอาเลยสิเถอะเขาไม่เข้าใจางไงว่าจริงๆแล้วกุศลศีลมันเดินยังไงในชีวิตรจริงเนี่ยสมาธิปัญญาศิกขาสามการประกอบศิกขาสามที่เป็นไปในชีวิตจริงประกอบอยังไงคําว่าปฏิบัติทั้งเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทาศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูญยิ่งยิ่งขึ้นไป เรื่องปฏิบัติจริงๆเขาไม่เน้นอารมณ์เขาเน้นสิกขาสามเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเขาเน้นตัวสิกขาสามที่มันเดินขึ้นในกมลสันดานในจิตของท่านเรานะการปฏิบัติมันเดินอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเน้นอารมณ์ว่าจะเป็นปัจจุบันอดีตหรือนาคตตรงนั้นแต่เข้ามาลองเรื่องรองเลยนะเข้าใจใช่ไหมเรื่องการกําหนดรอบรู้ในอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องลองออกมาจากการที่ทําสิกขาสามให้เดินได้ก่อนเนี่ใช่ไหม เนี่ยโดยข้อเท็จจริงมันอย่างนี้เนะี่ยโดยหลักคําสอนนะเนี่ยลองไปดูสูตรดูคําสอนแล้วเชื่อมโยงในคําสอนดูแล้วก็จะเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนี้เนะี่ยอันนี้ต้องการชี้ให้เราท่านทั้งหลายด้วยว่าอะไรมันเกิดขึ้นในยคุคสองพันตัวเอใช่ไหมมันจะได้โอ้โหเป็นอย่างนี้จริงจแล้วแล้วใครสอนแบบอัตมานี่เหนื่อยเหนื่อยมากต้องอธิบายเหตุผลต้องยกต้องคนระดับรับเหตุผลแล้วนะั้ ถ้าระดับคนไม่ต้องการวิจัยอะไรต่างๆมากเขาบอกไม่เอาหรอกใช่ไหมเขาต้องการแบบประเภทง่ายๆสะดวกสะดวกปั่นคำสองคาแล้วเข้าห้องปฏิบัติใช่ไม่ใช่ใชเขาต้องการแบบนั้นเลยแล้วใครเดินตามแบบประมญาเนี่ยน่าก็ยากด้วยอ่ะทำไมถึงยากการจะตัดสู้ของพระเจ้ายากไหมแล้วสอน ถ, ถ้าทำง่ายๆแล้วบรรลุ ง, ง่ายๆก็ลองคิดดูเป็นบรรลุตามใคร มันรรลตามใครใช่ตามพุทธเจ้ารู้ไหมเนี่ยก็ลองไปนั่งคิดดูเราไปวิจัยดูเดี๋ยวคำตอบเราจะได้เองว่าอะไรเกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมแล้วต้องเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการก็ต้องกระตุ้นความเพียรอยู่ใช่ไหมเป็นเรื่อ ง, องการกต้องกระตุ้นความเพียรฉะนั้นใน ล, ลักษณะตรงนี้ท่บอกว่าให้สังเกตต่อไปนะว่าพระธรรมขาและดีกานท่านมาสรุปยังไงถ้าการที่ภิกษุเนี่ยละ ส, สะตูบาลทิ เออในสูตรนี้เราเข้าใจเลยเนาะคําว่าภิกษุเนี่ยท่านกล่าวด้วยฐานะเอาไว้เป็นประธานอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งโดยภาวะการปฏิบัติเพราะว่าคำคำเนี้ยถ้าบอกพระราชาเสด็จนีมาแต่พระราชาไหมมีคน อ, อื่นตามด้วยไหมมเยอะแยะไหมัน้นจะกล่าวภิกษุเนี่ยภิกษุณีกล่าวไหมกล่าวด้วยภิกอุบาศกบาศิกาด้วยนะงั้นแต่เราไปเจอคำมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายโอ้ยเรารอดแล้ว ไม่มีเราบอกนี่พระเจ้าไม่ได้เตือนเรานี่คิดผิดๆๆก็คิดถูกคิดผิดนะนะี้เข้าใจกันเนาะตอนนี้จะไม่ต้องอธิบายบ่อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เหมือนกันส่วนการรู้ของภิกษุนี้ละศัตรูปรัที่ได้ดูในอัตถาหนาสามถอนสัตตสัญญาได้เออศัตรูประที่นี่คืออะไรเออละที่นี่คือความเห็นก็คือมิจฉาทิถีนั่นแหละเห็นว่าเป็นสัตสัตตสัญญาเห็นว่าอันนี้อะไรเป็นเนี่ยสัตสัญญานี่คืออะไร แปลว่าอะไรนะจำเนาะที่จริงเป็นอัตตาทิฏฐินะสรุปแล้วชื่อตรงนี้เป็นชื่อของสักะยัตทิฐิสักะยะัติทิฏฐิคือความเห็นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปใช่ไหมรูปเป็นเราเราเป็นรูปแล้วก็รูปอยู่ในเราแล้วก็เราอยู่ในรูปอย่างนี้เป็นต้ น, นนะนะเวทนาสัญญาสังขารมิยานในยะเดียวกันก็คือความเห็นอันนี้นี่แหละ ความเห็นอันนี้ลราที่เป็นเชื่อแห่งการทําให้กรรมนั้นตามส่งผลได้แม่นยํานะถ้าถอนความเห็นอันนี้ไม่ได้ก็ตัดวงจรของการเกิดได้ไม่ได้ถามว่าการถอนสัจธรรมเป็นทั้งกรรมฐานเป็นทั้งสติปัฏฐานภาวนานะถ้าละสองตัวนี้ได้เขาบอกว่าพระภูมิเมียพระเจ้าขยับขึ้นไปหน่อยนะไม่ได้ตรัสหมายเอาความรู้แบบนั้นคือรู้แบบเด็กกินนมรู้อะ่ะ เพราะว่าความรู้เช่นนั้นย่อมไม่ถ่ายถอนสัตตูประทิความเห็นว่าเป็นสัตว์ไม่เพิกถอนสัตตาสัญญาความสำคัญว่าเป็นสัตว์เห็นไมไม่สามารถจะถอนสัตตสัญญาทั้งไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นกรรมฐานทุกกรรมฐานไม่เป็นสติปัฏฐานภาวนาด้วยไม่เป็นเวทนานุปัสนาด้วยไม่เป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาจิตาแลธรมานุปัสนา เพราะการเจริญเวทนาหรวิปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยใช้อะไรมาเป็นตัวไข้ควรใช้ตัวอะไรใช้สติใช่ไหมทีนี้เวลาจะมาเดินสติต้องรู้จักสติสำโพชงดีไหมดีหรือไม่ดีสติเนนี้เป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาเอาเลยสิเอาเลยสิสติเป็นวิปัสนาหรือเป็นสมถะเอสติเป็นศีลได้ไหมอ่ะเอานี้นี่จะจะจะไล่ให้ดูเราจะได้รู้เข้าใจว่าจริงๆก็คืออะไรกันแน่เนาะ เนี่ยเมาติดขัดในใจมานานแล้วตรงเนี้ยเวลาจะอธิบายก็ต้องการคนมีพื้นหน่อยนะตอนนี้ก็พอสมควรแล้วเนี่ยนะเวลาบางทีอาจมาใจร้อนนะเวลาอธิบายเนะี่ยเมื่อไหร่เราจะอยากกระจายคําสอนในใจเนาะให้กว้างขวางสักทีก็ได้ยนะังก็ตอนนี้ก็ลังหาบางคนรองรับในใจนะอย่างเนี้ยนะกลัวจะพูพื้นฐานมาเพื่อที่กระจายความรู้สึ ก, กออกไปเนี่นะ ในพระธรรมของกุฎเจ้าออกไปนี่นะพ่อเจไปช่วยกันคิดนี่นะอามายกได้หนึ่งตัวอย่างในชะ่มสี่ห้าตัวอย่างเราทั้งหลายช่วยกันอามาต้องการอย่างนี้นเป็นจุดเทียนเล็กๆเกนี่ยส่องเข้าไปในใจท่านทั้งหลายแค่นั้นนะแล้วน อ, นอกนั้นทําไปจุดต่อกันเองนะอย่างนี้ต้องการอย่างนะ้นพราะธรรมาความสามารถน้อยเปิดทีที่มันไปกล่าวพระธรรมตามที่ต่างๆ ต, ต้องการหาคนควาสามารถต่อทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะบอกเวลาพิสุทธิ์ชมว่าช่วยหาผ้าช่วยหะไรเออ เอาพาจริงๆนลที่เก่งว่าจะมาที่ยังหนุ่มยังแนนว่าอามาใกล้ตายแล้วใช่อยู่ไม่นานแล้วนี่ดูแลดยในโลกการแล้วก็เลยบอกเอใช่ไหอยากให้พระธรรมของพระเจ้ากระจายสิ่งที่ถูกต้องนะ่อยากให้สิ่งที่ถูกต้องในคาสอนของพระเจ้าเนี่ยกระจายต้องขอไปก่อน่ยังไม่ได้ท่นี้ต้องขอไปก่อนต้องขอไปก่อนที่นี้ปัญหาคือบอกงี้นะสติเนี่ย ถ้าเราไปมองกันให้ชัดก็คือว่าสทาวิริยาสติสมาธิเป็นองค์ของอินทรีห้าใช่ไหมสทาเป็นประธานของปฏิโมกสงวนศีนสติเป็นประธานของอินทรีย ส, สังวนศีเห็นไหมวิทยะเป็นประธานของอาชีวาบริสุทธิศีนปัญญาเป็นประธานของอาปัจญ ส, สันนิสิตาศีสรุปแล้วเหลืออะไรเนี่ยสทาวิริยาสติสมาธิเลือสมาธิเชื่อวก่าวแล้ว เพราะสมาธิกัไปโฟตอนอยู่ในศีลนั่นแหละสรุปแล้วก็คือตัวอินซีห้าเป็นศีลก็ได้เป็นศีลก็ได้เป็นสมาธิก็ได้เป็นปัญญาก็ได้เนี่นะนี่จะชี้ให้ดูว่าอื่นเป็นยังไงอยู่ตรงว่าสติปารลอะไรถ้าปารลในการที่จะสนับสนุนปาฏิมโมกเห็นไหมก็เป็นตัว เป็นอนุกูลตามป่มิโมกสังวรสิงห์แต่ถ้าหากไปเกิดขึ้นในทางทวารทั้งหกคือจักุทวารโซตตทวานคานาทวานชิมะทวานกายยะทวานและมโนทวานนะถ้าเขาไปเป็นประธานเลยใช่ไห ม, มในการที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับแม่ทัพเลยยกกองทัพออกไปปิดด่านหกด่านปุ๊ปปุ๊ปหกด่ 6, 6ดานเลยนะไม่ให้อารีรา ห, หรือข้าศึัตรูทัหลายเข้ามาในเมืองอันนี้เขาเป็นอินเดียสังวรสิงห์ เขาการอะไรอภิชาและพยาบาทไม่ให้ไหลท่วมทับเข้าสู่กระแสจิตมองเห็นไหมล่ะเออนี่ก็เป็นอะไรเป็นอินทรีย์สังวรศีลไหมเขาจะปิดบาปนี่เป็นศีลไหมตัวอินทรีย์สังวรศีลเขาเป็นล้อมอะไรทีมปาิโมกสังวรศีลปาติโมกสังวรศีลเหมือนเมืองเนาะเหมือนพระราชวังเนาะใช่ไหมเหมือนพระราชวังเนี่ยส่วนอินเดียสังวรศีลเน่ยเหมือนการลอมเมือง ชายแดนรอบนอกเนาะในรอบนอกเนี่ยมีกองทหารปิดด่านหกด่านเนี่นะทางตวานตาหูจมูกเล่นกายใจถ้าทางตาหูจมูกเล่นกายใจพังนี่นะปฏิโมกสังวรศีนอยู่รอดไหยเห็นไหมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อฉะนั้นตรงเนี้ยสติเนี่ยมาปาราบกุศลศีลเกื้อกูลปฏิโมกสังวรศีนอินเดียสังวรศีนเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดกสุจริตสาม เห็นไหเพื่อเป็นประทัดฐานแก่สุจริตสามแท้เลยนั้นสุจริตสามจะบริบูรณ์จกบริสุทธิ์ได้นี่โอ้โหปฏิโมกข์สังวรศีลดีทีนี้เราใช้เขาเสียอาหายหมดเลยเคยสังเกตุไหมว่าเราใช้สติแต่เราไม่เคยให้อาหารของสติเราใช้ศรัทธาแต่เราไม่เคยให้อาหารของศรัทธาใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยรูปประกายพอมันต้องการอาหารเราเลรีบยกไปแล้วท่านอาจารย์ถึงเวลาแล้วครับเมื่อกี้ใช่ไหม ถึงเวลาเราบอกได้เลยใช่ไหมเราบอกเอ๊ะตอนนี้เราสติได้รับอาหารกันไหมตรงเนี้ย น, นะก็ไปไข้ควรตรงเรื่องเรื่องยาวเลยนะอาหารของสติอาหารของศรัทธาอาหารของวิริยะอาหารของสมาธิอาหารของปัญญานี่ยนะหรือปัจจัยของเขาที่จะทําให้เขาแข็งแรงเนี่ยก็ตรงนี้กําลังมองที่เห็นหว่านี่ไงสติมาเป็นศีลได้หรือยังสติเป็นศีลได้ทีนี้ พอมาถึงในด้านของการระลึกเอาพุทธานุสติเอาพุท ธ, ธานุสติก่อนเลยนะพราะเราจะศึกษาติปฐานสูตรแล้วก็ร ะ, ะลึกถึงคนของพระเจ้าสมมติเราจะเอากรรมฐานของพระเจ้าไปบริหารแล้วก็เข้าห้องอุทเทสิกาเจาดีคือพระเทวโลกีไหมเสมอเหมือนหนึ่งพระเจ้าประทับนั่งเพราะที่เป็นพระรูปของพระเจ้าที่ผู้มีจิตสรทาบรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีพระรูปเช่นนี้เป็นต้น เราก็น้อมถึงพระรูปพระวรากายของพระเจ้าที่ประดับไปด้วยมหาปุริสรักษณะสามสิบสองประการและอนุพยัญชนะแปดสิบแปลว่าคนที่จะมองพวกเจริญพุทธานุสติได้ น, นะแปลว่าคนค น, นั้นเขามีข้อมูลในลักษณะสูตรในทีคณิกายเป็นอย่างนี้ใช่ไม่รับแล้วเขามีข้อมูลตรงนั้นดีแล้วเขมองพวกเขาเข้าใจอะ่ะเหมือนพวกเรียนคณิตศาสตร์อะ่ะเข้าใจใช่ไหมเรื่องตัวเลขยังไม่ต้องพูดแล้วพอยกตัวเลขขึ้นมาเข้าใจเลยไม่ต้องอธิบายเลยเนี้ยนี่เหมือนกัน เราเห็นเห็นพระพุทธรูปเนี่ยเห็นพุ๊บเข้าใจไหมเห็นลักษณะของท่านสามสองประการปรากฏเด่นดนใจไหมเห็นอนุพยญชนะแปดสิบประดับงามมากและไม่ใช่ติดใจแค่โลภะแค่นั้นเองน้อมถึงกรร ม, มกรสตารายันที่พระองค์สั่งสมมาอย่างยาวนานอย่างนี้ชัดถ้าชัดพุทธคุ ณ, คณรูปประกายได้อะเอาดิเจเริญในรูปประกายแล้วสามารถจเจริญพุทธคุณได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็ฟังบ่อยๆ อ, อันนี้ก็แปลว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่พอใชนะ่ไหมได้แค่ไหน ก็ข้อมูลตรงนั้นก็เจริญพุทธานุสติเป็นต้นได้เอาทางด้านของรู ป, ปากายไม่ได้แล้วธรรมานุสติเออคุณธรรมของท่านที่ท่านทํามาใครควรมาที่ยี่สิบวัสงไขยที่จําไม่ได้สักตอนเลยเลยที่จะเกือ้อกูลสัตตินียอ่ะพอได้ไหมพอจะนึกได้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเข้าใจจนถึงว่าสภาวะที่เป็นพุทธะอรหัตตมรักอรหัตผลแล้วต่อมาได้เลยพอหลังจากอรหัตตมรักษ์อรหัตผลดับตามไปด้วยละ อาสาธานายาณหชัดไหมอาศยามนุสยะยานพยานที่เข้าไปรู้อัธยาศัยและนุสัยของสัตว์อินทรียโรปริยติยานรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ใช่ไหมมหากรุณาสมาปฏิยานที่มีพระมหากรุณาที่คุณกับพวกเราย่มามกกะปฏิหาริยาญพยานในการสแสดงยงมา ก, กับปฏิหารที่วิจิตรมากกว่าบุคคลอื่นชัดไหมใช่ไหมอานาวรณญายานพยานที่ทะลุทะลวงไม่มีอะไรขัดขวางได้ และกษัพรยุตยานพยานที่แทงตลอดในสัพรพสิ่งทั้งปวงหมดเลยนี่คือเรืเห็นคุณแมพุทธยานสิบสี่เวนิการธรรมสิบแปดเวสาัชยานสี่แล้วก็ทศบรยานสิบเป็นต้นเนี้ยถ้ามันบุก ค, คุ้มาในใจได้นี่นะอันนี้แปลว่าเห็นไหมใช่ไหมเห็นพุทธคุณถ้าเห็นตรงนี้เบเสร็จก็เข้าไปว่าขอกรรมาถานใช่ไหมเข้าไปกบ ข้าพเจ้าขออะไรอริยทรัพย์ของพระุทธเจ้าใช่ไหมอริยทรัพย์ก็คือสติปัฏฐานเนียเานานนเ่ยนี่แหละข้าพเจ้าจะเอาบเวทนานุกศาสนานี่แหละกาลังเรียนอยู่นี่แหละของพระบรมศาสดาที่เราไปบริหารเหมือนลูกไปขอทรัพย์จากแม่จากพ่อมาลงทุนะเข้ยาใจยังเหมือนขอทรัพย์ภายนอกเอามาลงทุนนี่เราก็ขออริยทรัพย์มาบริหารเอามาลงทุนแล้วก็ไปขอไปเสร็จเอามาบริหารเจ๊งไปกี่รอบแล้วเลยกี่รอบแล้วเคยเจ๊งไหม ออกมาเสร็จอา้าวตายแล้วบริหารไปบริหารมาหายเที่ยงเลยกลับไปขอใหม่บอกพ่อที่เอไปอากาศคุนถ้าเราสมนึกที่เออทำนึกรู้พระคุณดิเชื่อมั้ยอันนี้เป็นของพ่อนะกว่าที่พ่อจะหาอาเดีัพย์นี้มาได้จริงไหมกว่าที่จะหามาได้เนี่ยยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรัปท์ใช่ไหมทําไมเราทําเล่นๆหนึ่งน น, นี่มันจะคิดอีกมุมหนึ่งเลยนะเออไม่ได้แล้วไปรับก็รับไป เออโบราณเขาวางแขนดีจริงๆนะที่เขไปข อ, อกรรมฐานโอ้โหไปดูในวิสุทธิมาร์ที่เวลาจะไปข อ, อกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์เป็นต้นจากจากพระเถระเป็นต้นโอ้โหยใช่ไหมไม่ใช่เครื่องง่ายๆเลยจะมาศึกษาตอนสมัยอสังขยาาครั้งที่สองเวลาจะเข้าไปหาอาจารย์นี่นะเขาจะไปปากตัวเป็นศิษย์แค่นั้นเราเป็นเรื่องยากมาก ข้าไปเบ็ดเสร็จเนี่ยไปทําไม้ชําระฟันไม้อะไรต่างๆเราเนี่ยนะเอาไปวางเอาไว้ทำไมเอาเราทิ้งไปแล้วเนี่ยนะโอ้ยต้องคอยอยู่จังหวะจะเข้าตอนไหนอย่างไรเนี่ยนะอุย้ยากมากยุคเยอะเสี่ยหาแค่ไหนใครจะเป็นศิษเข้าไปย้อนทีนี้ทีนี้ที น, ทนี้ถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ก็แปไปรับใช่ไหมพอรับมาอย่างนี้แปลว่าเขารับแบบความภูมิใจและชื่นใจ อ้าสมมติว่ามันเป็นสมบัติชิ้นโบแดงของพ่อแม่แล้วกว่าพ่อแม่บอกลูกเอยกว่าที่กว่าที่พ่อจะหามาได้นี่นะยี่สิบประสงค์ขายยิ่นด้วยแสนกลับยิ่งด้วแสนมหากลับต้องบ่มเพาะบารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบปรมาธรรมบารมีม 10, ทุนทุกทรมานสละอัตภาพนับไมุ่้วนเนื้อที่สละทิ้งไปน้ำมากกว่าภูเขาสีเนลุมากกว่าแผ่นดินแผ่นดินนี้ เลือดที่สละจะากลายพ่อเดี๋กว่าจะได้อะเดียซับมานี่นะมากกว่า น, น้ําในมหาสมุทรดวงตาที่ควักให้เป็นทานนี่นะมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าท้าบอกว่าพิจารณาเนี่ยเนี่ยซับกว่าจะได้มาเธอสมควรจะดูแลดีหรือไม่ดีเพราะงั้พ่อแรกชีวิตมาหลายล้านอัตราภาพกว่าจะได้อะเดียซับเนี่ยนะแล้วเธอเป็นลูกเนี่ยจะดูแลทรัพย์ของพ่ อ, อยังไงอ๋อ จะดูแลยังไงจะบริหารยังไงว่ามาเล่นๆได้ไหมเนี่ยความรู้สึกต้องชัดใช่ไหมถ้าความรู้สึกตรงนี้ไม่ถึงไม่ชัดเนี่ยก็ไม่คู่ควรเพราะยายจะมองออกไหมตรงนี้นันถ้าหากว่าไปปบเนี่อลับลับลับซับามาแล้วต้องดูแลเพราะทรับเหล่านี้เมื่อเอาไปบริหาราไปจัดการไปทำให้งอกเงยให้มีดอกมีผลออกมาจริงๆลเลนี้ เธอจะพ้นจากชาติที่ทุกชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกพ้นจากความโศกความล่ําไรร่ำพันใช่ไหมใช่ไหมเมื่อไหร่จะรับใช่ไหมเพราะเธอเพราะพราะเธอไม่ต้องลงแรงเนี่ยไม่ต้องลงแรงมากอ่ะคนที่ลงแรงมากคือพระเจ้าท่านเป็นธรรมมาสามีเป็นเจ้าของธรรมใช่ไหมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เสี้ยนเนี่ยโอ้เดี๋ยนี้มันสบายใจแล้วไม่มีอะไรกาขวางแล้วใช่ไหม เนี่ยถ้าเราเข้าใจชัดเจนอย่างนี้เบดเสร็จนะถ้าเข้าใจแบบที่อาจมาเล่าไปนี่นะโอ้แต่นี้ไม่ต้องไปกังวลแล้วแล้วอะไรคือยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอะไรเราเราจะรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระธรรมก็จะเจ้ายิ่งใหญ่การเป็นส่วนหนึ่งส่วนได้ในสังในในรัตนานนความยิ่งใหญ่มากตอนนี้เราอยู่เชื่อมไม่ติดนะ่ะอาาพยายามว่าไอ้อาจารย์ทำให้ที่อะไรเชื่อมพวกแคลนทั้งหลายให้เป็นให้เป็นรัตนาให้ได้ให้ติดนะให้เชื่อมไม่ติดเภูมิใจตรงนั้นนลยนะ ถ้าต่อติดกับผู้ได้เจ้าไปเลยก็หมดหมดภาระอนามาใช่ไหมามาก็ต้องเีเกี่ยวข้องแล้วเป็นกิตพร้เจ้าทําต้องการเชื่อมโยงให้ติดให้ได้เมื่อติดก็เมือม่อเมือ่อผู้ได้เจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องฟังใครอย่าไปฟังผู้ได้เจ้าอย่างเดียวใช่ไหมฟังจากท่านผูดด้ใดก็จะตรวจสอบได้ว่าเป็นของผู้ได้เจ้าไหมถ้าเป็นก็รับก็ไม่ไม่ต้องไปใส่ใจใช่ไหมมากมายเลยนะว่าเออผู้ได้เจ้ากล่าวไวไห้หร่แค่แค่นั้นก็จบแล้วใช่ไหมใช่นี่ไงความตั้งใจการน ไอ้วนนี้ต้องเก็บไว้ดีนะพวกราจะได้ย้ำๆระลึกถึงตลอดตๆจะได้ได้ได้ฟังหลายๆรอบก็คือตรงนี้นี่แหละบอกจะได้เป็นจุดในการที่ว่าตั้งอัธยาศัยให้ชัดพอตั้งทางนั้นมันไม่ชัดหรอกมันก็แบบนี้เนี้ยไปมาไปมาใหม่เนี่ยนะก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยนี่เงี้ยเวลาไปรับเวทนานุติยปทานหรือจิตานุปัสนาหรือธรรมานุปัสนาทิปปทานมันพอได้มาเบ็ดเสร็จนี้ก็ไปบริหารไิจัดการโอ้โหนี่ชัดเจี๋ใช่ไหม พราะเวลาบริหารจต่ละครั้งความสำนึกในความเป็นอวสุมบัติของพระพุทธเจ้ามาบริหารความสำนึกในพุทธคุณก็กระตุน้นแล้วจะมีไม่เวลาไหนที่พระเจ้าไม่เตือนไม่ดีเลยถ้าพระพุทธเจ้านั้นถึงบอกว่าพระเจาจะอยู่ใกล้บุคคลที่อบรมกายอบรมเสียงอบรมจิตอบรมปัญญาใช่ไหมผู้ฉลาดในธรรมด้รับการแนะนําในธรรมผู้เห็นธรรมของพระเจ้าปฏิบัติชอบและไม่ปฏิบัติพระเจ้าจะอยู่ใกล้กับบุคคลเช่นนี้ แต่พระเจ้าจะไม่อยู่จะอยู่ไกลกับบุคคลที่ไม่อบรมายนะไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อ บ, บรมปัญญาเนี่บุคคลที่ไม่ฉลาดในธรรมของพระรยะไม่รับการแนะนําในธรรมของพระรยาเนะยไม่เห็นธรรมของพระริยะแล้วปฏิบัติผิดคนปฏิบัติผิดพระเจ้าจะอยู่ห่างไกลแสนไกลจากบุคคลเหล่านั้นไกลแสนไกลเลยนะฉะนั้นก็มาพิจาราณานี้เราจะได้เห็นว่าโอ้พระบรมศา ส, รรสดาจะอยู่ใกล้เราหรือไกลเราจะอยู่ที่ข้อวัดด้วย อยู่ที่การขัดเกลาตัวเราด้วยใช่ไหมว่าเราจะน้อมกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมไม่เป็นสุจริตสามจะได้อยู่ใกล้คิดพระพุทธเจ้าไหมฉะนั้นถ้าหากเราอยู่ใกล้คิดพระเจ้าพระธรรมของพระพเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะคอยบอกตลอดเลยจะคอยบอกตลอดเลลวลาเมื่อเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าถึงบอกบอกว่าศาสดานะบอกว่าพระธรรมวินัยเนี่ยจะทํา ก, รรกิจศสาสดาหลังการล่วงไปเองเรา แล้วก็ลองไปนั่งหลับตาคนเดียวดูทีตอนนี้ภาษาสดายังกระซิบบอกเราได้ไหมถ้ายังไม่ได้แปลว่าเรายังเชื่อมไม่ติดนะถ้าวันใดวันหนึ่งเราเชื่อมติดเมื่อไรได้พุ๊บพระธรรมของพระเจ้าก็จะคนะูเต็มไปหมดใช่ไหมในห้องอาไทของเราเนี่ยเต็มไปหมดพุทธคุณเต็มเปี่ยมในใจนะปริมาณเม็ดใจของเรามากน้อยเพียงไรเลยที่โอ้มาว่าเม็ดอากาศก็จะเท่านั้นแหละ ท้องเมล็ดผักกาดหรือท้องเมล็ดถั่วเขียวหรือว่าเมล็ดมะม่วงหรือว่าท้องอะไรใช่ไหมไหหม้อหรือว่าเกี่ยวในเรื่องของตุ่มน้ําทั้งหลายเนี่ยมันแล้วแต่ปัญญาของเราที่จะรองรับพุทธคุณของพระเจ้าได้มากน้อยสิ่งนึงแต่ขอให้ได้สักนิดนะ่ะมันบริหารแล้วมันขยายได้ขยายได้เข้าใจใช่ไหมเมื่อขยายได้ไปเสร็จแล้วในสุดจริงๆนั่นแหละสัพพินซีนะ่าจะเป็นที่ตั้งทําให้เราเน้นตั้งมั่นในกุศลธรรมทั้งหมด ฉะนั้นตรงนี้นี่แหละถึงบอกว่าท่านจึงบอกไงบอกพระผู้มีพภาคเจ้าตรัสหมายว่าการเสวยเนยนะจะบอกว่าท่าละศัตรูปรัทิรละศัตรสัญญาเนเป็นทั้งกรรมฐานเป็นทั้งสติปัฏฐานภาวนาที่เราถามว่านี่ท่านก็บอกอจิฐาบอกพระเจ้า